ยังเดินผ่านทุกวันที่ที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำซ้ำได้ทุกตอนเรากับมีใครมั ง, มงยงเวลาแต่ก็คง เะอไปแล้วก็คงไม่ย้อนข้นมาทา s u n g l a s s e คิดในลายอย่างลายอย่างนึกเกิดที่ฉันไม่ สิ่งที่อยู่ในใจฉันได้แต่ฝากควาคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นที่เดียวกันนี้เธอจะ ไม่เห็นได้ด้วยตาฉันได้ฝากเอไว้อยู่ในพื้นดินละท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่ประศิบวัฒน์ฉันอยู่รักเธอให้เธอสงบความคิดที่ฉันทิ้งไว้บางทีเห็น